หรือคุ้นเคยกับการท่องพุโทโธเมื่อถึงเวลากับขันใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพระพุโทโธที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคล น, นั้นอันจะนำให้พ้นผ่านภัยใหญ่น้อยความคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมาก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 หรือว่าไม่ดีผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการบุญสนมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไขา้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมาอมากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลานามัยดีอันนับเป็นลาบอย่างยิ่งผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูมิน่นผูกพันเช่นนี้มาม า, มากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ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 จะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใสเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลายผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดศึกษาและปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรม